การดำเนินงานเกี่ยวกับการสอนเรื่องของครูสมาธินั้นเราก็ได้ดำเนินงานมาตามลำดับจนกระทั่งผ่านการศึกษาสถานที่ผ่านการศึกษาเรื่องการกำหนดลมหายใจ ผ่านการศึกษาเรื่องสมาธิผ่านการศึกษาเรื่องฌานก็เพียงแค่สามข้อเราก็ใช้เวลาตั้งหลายการที่ใช้เวลาเต็มที่เช่นนี้ก็ต้ <c oughs> องการที่จะให้นักศึกษาทุกคน <c oughs> เข้าใจข้อเท็จจริง เร่งของฌานของสมาธิเนื่องจากว่าเราพากันเรียนแบบ <c oughs> นา ม, มาธรรมการเรียนแบบนา ม, มาธรรมไม่เหมือนกันกับเรียนแบบที่เราเรียนกอไก่ขอไข่แต่แเรียนแบบนา ม, มาธรรมนั้นต้องทําให้เกิด เรือยวทำให้เห็นขึ้นมาด้วยซึ่งในอนดีตการที่จะเอาเรื่องของสมาธิมาเป็นเรื่องของการเรียนอย่างจริงจังนั้นยังไม่ค่อยปรากฏเพราะว่าคนที่จะไถเอาความเป็นจริงของสมาธิออกมาเป็นตัวอักษร น, นั้นเป็นเรื่องที่ ตัดสินใจยากถ้าไม่เห็นจริงแล้วเออกมาเขียนมันก็เป็นการหลอกลวงแต่เมื่อเห็นจริงเอาข้อเขียนเหล่านั้นออกมาก็เรียกว่าได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะอธิบายเรื่องคุณสมบัติของยานคุณสมบัติของยานนั้น พูดก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเช่นอย่างบ้านอย่างเรือนของเราอย่างนี้คุณสมบัติถ้ามันไม่ดีก็เรียกว่าขาดคุณสมบัติถ้าหากว่าดีก็เรียกว่ามีคุณสมบัติถ้าไม่ดีก็ต้องหลังคารั่วซุดแล้วก็อันตรายแต่ถ้าดีหลังคาไม่รั่ว สวยงามอยู่ได้อย่างสบายแม้เราจะเปรียบเทียบนะด้วยยานก็ต้องเปรียบเทียบว่ายานนั้นทำไมจึงมีคุณสมบัติไม่ดีเหมือนกับบ้านาลังคาล่วก็คือยานที่ไม่มีคุณภาพขาดคุณภาพที่ขาดคุณภาพเพราะอะไรเพราะว่า ยานนั่นเป็นยานที่คาดคะเนเอาหรือว่ายานเพื่อให้หวังเพื่อผลประโยชน์หรือหวังเพื่อให้เกิดมีชื่อเสียงอะไรเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้เป็นความจริงหรืออาจจะเป็นความจริงเท่าอการกลับมาเล็ดงา แต่ว่าไปบอกว่ามันเท่าลูกตังโมมันก็ผิดกันเยอะอย่างนั้นเรียกว่ายานที่ขาดคุณภาพทีนี้ยานขาดคุณภาพนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรอย่างบางทีคนเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าลูกเราตายไปที่ไหนหลานเราตายไปที่ไหนอิดามาดาของเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เขาก็จะบอกออกว่าเวลานี้อยู่ที่นกรกไปหลุมนั้นเวลานี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นโน้นไปเดวใครให้เงินเยอะๆก็โอ้สวรรค์ชั้นหกแล้วว่าม่นั่นอย่างนี้มันเอาความแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้นักศึกษาครูสมาธิเรามีสติปัญญา ให้รู้ว่าถ้ามันเป็นยานจริงๆนี่มันคือลักษณะใดลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นยานจริงๆนั่นบุคคลผู้นั่นจะต้องถึงจุดพลังอา น, นาจทีนี้จุดพลังอำ น, นาจนั่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ดูให้เราเนี่ยเขาได้ถึงจุดพลังอำ น, นาจแล้วเราก็มองไม่เห็นแต่อย่างไรก็ตาม มันก็เหมือนกันกับหนังสือคนอ่านออกแล้วคนอ่านไม่ออกมันก็พอที่จะมีทางพิสูจน์ได้คนนี้อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็มาว่าอ่านหนังสือออกมันก็มีทางที่เราจะจับข้อเท็จจริงได้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราจะรู้ว่า คนที่เขาจะอ่านหนังสือออกหรือไม่ออกก็คือจุดพลังอํานาจจุดพลังอํานาจนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกันกันกบว่าอํานาจการซื้ออย่างคนมีเงินเยอะๆเขามีอํานาจการซื้อว่าต้องการบ้านหลังหนึ่งก็ย่อมได้ต้องการรถคันหนึ่งก็ย่อมได้อันนั้นคืออํานาจ เหมือนกันก็คนที่มีจุดพลังอำนาจก็จะต้องมีพลังอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามในที่สุดก็คงจะต้องใช้สติปัญญามากหน่อยเพราะว่าบางคนที่เขาแนะนำให้หรือบางคนที่ เขาบอกให้ว่าฉันรู้ว่าพ่อแม่ของคุณตายไปอยู่ที่นั่นแล้วอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วคนที่พูดหมายความว่าพูดด้วยความนึกด้วยความคาดคคเนเราก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติของญาณคือความรู้จริง ความรู้จริงนั้นเกิดจากสมาธิเพราะสมาธิได้สร้างพลังจิตขึ้นด้วยพลังจิตมากขึ้นจึงเป็นจุดพลังอันหนาจุดพลังอันหน้าคือศูนย์รวมของพลังจิตณ้าที่นี้จะเกิดหน่วยงานขึ้นในหน่วยงานนั้นจะมีหน่วยงานหนึ่งในจานวนหลายหน่วยงานคือยาณนะแปลว่า ความรู้สู่ความสาเร็จเมื่อหน่วยงานคือยานได้เกิดขึ้นแล้วก็จะทำประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ได้ยานนั้นจึงกลายเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติสมาธิเพราะยานเมื่อเกิดแล้วชวนะปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นหมายความว่ามีปัญญารอบรู้เช่นขณะนี้เราเข้าชานมากเกินไป มีความรู้แก้ไขให้การดําเนินฌานนั้นเอาแต่พอดีอันนี้คือยานที่จะกําหนดรู้หรื อ, อยานที่ทําให้แสดงฤทธิ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วนําไปอวดอ้างต่างๆยานก็จะกําหนดรู้ว่าการกระทาเช่นนั้นผิดยานก็มีโอกาสที่จะแก้ไขไม่นําเอาไปอวดอ้างเพื่อผลประโยชน์ บุคคลก็จะนับด้วยยานดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องในเมื่อจิตที่ทำสมาธิขาดความแน่วแน่ก็ให้ยานเป็นผู้แก้ไขให้แน่วแน่ขึ้นหากยานสามารถจะช่วยบุคคลที่มีทุกข์ให้ค้นทุกข์ได้แล้วดาเนินการแก้ไขให้สาเร็จ ผลเที่ออกมาก็คือการทําประโยชน์แก่สังคมเป็นการดีอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคุณสมบัติของยานต่างๆเกิดขึ้นแก่ผู้ทําสมาธิคุณสมบัติย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความสามารถของผู้นั้นผู้นั้นและคุณสมบัติของยานคือการสร้างขึ้นการกระทําขึ้นจากจิตธรรมดาให้กลายเป็นจิตที่มียาน เราเรียกว่าสมบัติของอยาเพราะการทำให้เกิดขึ้นสึ่นยา น, นั้นไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจของผู้นั้นในเมื่อการดำเนินจิตเข้าขั้นในกลไกของจิตแห่งพลังสมาธินั้นจะมีการพัฒนาด้วยวิถีของจิตอันที่เรียกว่าวิมังสาคือความไตรตรอง ในความใจ ต, ตรองวิถีจิตในขณะที่อยู่ในระหว่างความเป็นสมาธิแห่งจุดพลังอำนาจ น, นั้นมีการเคลื่อนไหวได้และมีกลไกลของตัวมันเองเปรียบเทียบเช่นเดียวกับธรรมชาติในกลไกลของวิธีการของมเมล็ดของต้นไม้แม้มเมล็ดเล็กๆในเมื่อความพร้อมของพันเมล็ดต้นไม้นั้น สมบูรณ์ทุกประการแล้วกลไกในการแตกหนอออกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันกันกบจุดพลังอำนาจเมื่อพร้อมแล้วทุกประการก็สามารถที่จะเป็นวิมังสาคือเกิดวิถีจิตให้กลายเป็นยานได้อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็ ใช้ความไข้ควนเช่นเวลาที่จิตของเราเนี่ยดาเนินไปพอดาเนินไปแล้วเนี่ยไอ้ความเกิดขึ้นของพลังจิตนี่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราต้องเข้าใจว่าการดาเนินจิตนั้นถ้าเราทำไปอย่างต่อเนื่องการที่ดาเนินจิตที่พลังจิตเกิดขึ้นนั้นก็จะต้องเกิดพลังขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เราทํากันมาทุกวันทุกวันอย่างการต่อเนื่องอย่างนี้เราก็จะต้องเข้าใจว่าพลังจิตนั้นได้ต่อเนื่องขึ้นมาทุกวันทุกวันและการต่อเนื่องของพลังจิตนั้นมันก็เข้าไปสู่จุดศูนย์กลางคือหนีไปไหนไม่พ้นในที่สุดพลังจิตนี้มันจะเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางเมื่อเข้าไปอยู่จุดศูนย์กลางนั้นแล้ว มันก็จะเข้าไปเป็นนี่สิ่งที่ก่อตัวเขาเรียกว่าตัวที่จะเกาะตัวขึ้นการก่อตัวขึ้นนั้นมันต้องมีความพร้อมเหมือนกันกับเมล็ดพันธุ์ผักกาศหรือว่าเมล็ดต้นโพอย่างนี้ <c oughs> เมื่อมันไม่แห้งเมื่อมันไม่ถูกมแมลงกินหรือ เมื่อมันไม่ถูกไฟเผาทิ้งมันก็จะมีความพร้อมของเมลดพันธุ์ผักาดหรือมันก็จะมีความพร้อมของเมลดต้นโพเมื่อความพร้อมของมันเกิดขึ้นเนี่ยออโตมติกตัวมันจะเกิดกลไกของมันเองและมันจะก่อตัวของมันเนี่ยขึ้นมาให้เป็นต้นเช่นเดียวกันกับจิตที่เราได้สะสมพลังลงไปเนี่ เมื่อสะสมพลังลงไปแล้วมันก็ไปสู่จุดพลังอานาจเมื่อเขาไปสู่จุดพลังอานาจเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจิตของเราเนี่ยได้เข้าไปสู่จุดพลังอานาจได้อย่างไรแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นความพร้อมของเราเนี่ยได้เกิดความพร้อมความพร้อมอย่างไรความพร้อมเพราะเราได้ทำการต่อเนื่องเราไม่ได้เด็ทำให้ขาดระยะและ เราก็มีสุขภาพกายเต็มที่แล้วเราก็มีสุขภาพใจเต็มที่เราไม่ได้มีการขัดตบบกพร่องตรงไหนเมื่อเราไม่มีความขัดตบบกพร่องตรงไหนการส่งเสริมพลังจิตเข้าสูส่จุดพลังอํานาจนั้นมันก็เข้าไปรวมตัวกันเป็นอัโตโมัติคำที่วา่ามันไปรวมตัวเป็นอัโตโมัตินี้เราจะเปรียบเทียบได้เหมือนกันกับ การเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันแม้เราจะสะสมคอไก่ขอไข่เราจะสะสมสระอ่ะสระเราก็สะสมไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วการสะสมอันนั้นมันกลายมาเป็นน่ความปัดสรูคือความอ่านออกและเขียนได้อย่างไรอันนั้นก็คือคกลไกอโตมัติของสมองมนุษย์ ของความเป็นไปของมนุษย์เมื่อสามารถที่จะเดินไปโรงเรียนเมื่อสามารถที่จะจับปากาดินสอเมื่อสามารถจะพบครูเมื่อสามารถที่จะเดินไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเนี้ยมีปิดเทอมก็ปิดซะอา่เอาเปิดเทอมก็ไปใหม่ทำอย่างนี้แล้วไ อ, อ้ความรู้อันนั้นมันกลายเป็นอัตโตมัติประกอบไปในตัวมันเอง ในที่สุดไม่จะประกาออกมาก็เถียนได้การทำสมาธิที่เราเรียกกันว่าคุณสมบัติของยานนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่เราทำไปอย่างนี้มันประกอบพร้อมดังที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเมื่อสมาธิเกิดขึ้นฌานเกิดขึ้นฌานเกิดขึ้นยานเกิดขึ้นทั้งสามอย่างนี้คือกลไกล เอ่ยกลไกที่ทำให้เกิดอายานต่างๆนี้ขึ้นมาและยาณต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็เป็นไปตามที่บุคคลที่มีความสามารถทีนี้เมื่อไปถึงระดับหนึ่งก็จะต้องแยกความสามารถของแต่ละบุคคลออกไปคนนี้ก็สามารถการเกษตรคนนี้ก็สามารถ การเมืองคนนี้ก็สามารถการอุตสาหกรรมคนนี้ก็สามารถการคลังเศรษฐศาสตร์คนนี้ก็สามารถการกฎหมายอันนี้มันก็จะเป็นไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นยานมันก็จะต้องแตกแขนงออกไปอันนี้หมายความถึงคุณสมบัติแตกแขนงออกไปก็คือแตะะแ่แขนงออกไปเป็นการรักษาโรคแตกแขนงออกไปเป็นการระลึกชาติได้ แต่แขนงออกไปเป็นการรู้อนาคตแต่ขแขนงออกไปเป็นการรู้ เ, เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้เขาเรียกวิญญาณแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยจะเอากันหมดทุกอย่างนั้นมันไม่ได้มันจะต้องมีความชํานาญอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้เวลาที่กลไกของวิมังสา คือความใจ ต, ตรองของจิตในขณะที่พลังจิตได้เข้าไปสู่ศูนย์รวมเขาเรียกว่าจุดพลังอำนาจเรียกว่าศูนย์รวมพลังจิตยอย่างไรก็ตามเราจะคิดอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรเราจะพบจุดศูนย์รวมพลังจิตนั้นได้ที่จริงแล้วนั่นเราไม่ต้องไปกังวลสิ่งอันนั้นเพราะว่า เมื่อเวลาที่ทําจิตเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้าไปสู่ศุนลรวมอยู่แล้วเวลาที่ทําไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จุดศุนลรวมอยู่แล้วไปทําทุกครั้งก็เข้าไปสู่จุดศุนลรวมนั้นอยู่แล้วทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นไอการที่เข้าไปสู่จุดสุนลรวมมันก็ต้องเข้าไปทั้งสามอันสามอันเนี่ยหมายความว่าเข้าไปทั้งสมาธิ เข้าไปทั้งฌานเข้าไปทั้งยานมันจะเข้าไปสู่จุดสุนรวมอันนั้นทีนี้เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วคุณสมบัติเหล่านี้มันก็จะโผล่ออกมาว่าคนนี้ได้อะไรคนนี้ได้อะไรคนนี้ได้อะไรอย่างนี้นนที่พูดไว้อย่างนี้คือตำราที่พูดไว้เวลาเนี้ยหมายความว่าตำราหรือเรียกว่าทฤษฎีหรือเรียกว่า เ, เป็นแนวทาง พูดเอาไว้เพื่อต้องการให้ทราบว่ายานนี้มันออกมาได้อย่างไรและมันเป็นไปในธรรมนองไหนและมันเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปทางไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วเราก็รู้ว่าเราจะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมืยนกันกับเด็กที่เข้าไปเรียนเนี่ยในขั้นแรกนี่ ก็หมายความว่าอยากให้มันเป็นนักกฎหมายแต่เรียนไปเรียนมามนกลายเป็นหมอไปเงียบอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเราอยากให้มันเป็นหม อ, อกับกลายไปเป็นนักการเมืองซะนี่มันก็ออไปถึงหน่วยงานเขาเรียกว่าจุดพลังอำนาจศูนย์กลางของพลังจิตแล้วมันก็จะมีแววหรือเรียกว่าจะมีมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่จะกระตุ้นให้จิตเนี่ยเกิดคุณสมบัตินั้นๆเพราะว่าการที่จะเกิดคุณสมบัตินั้นๆได้นั้นมันต้องมีสิ่งหนึ่งคือเขาเรียวกว่าอุปสงค์อุปสงค์นั้นหมายถึงว่าการคิดแล้วคิดอีกแล้วการมีความตั้งใจที่แน่วแน่ถึงจะไปเป็นอุปสงค์แล้วอุปสงค์นั้นอ่ะเป็นตัวจุดที่จะให้ เกิดความสำเร็จขึ้นให้กลายเป็นคุณสมบัติเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าปรารถนาโพธิญาณปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระโพธิสัตว์อันนั้นแหละที่เรียกว่าอุปสงค์ความปรารถนานั่นก็เรียกว่าอุปสงค์เพราะฉะนั้น หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นจากคุณสมบัตินี้จึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์อพูดไปพูดมาก็หลับซะได้ <c oughs> ไม่น่าหลับเลยเ อ, อันนี้ก็ยังไงเสียเขาก็เทปเอาไว้แล้วแหละในที่หลวงพ่อพูดเนี่ย เ, เราอาจจะเก็บเอาไว้หรือเราไป กัปี่เอาแล้วก็เอาไปคอยฟังไว้ก็คงจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติเพราะว่ามันเป็นข้อเรียกว่า เ, าเป็นบทเรียนข้อหนึ่งที่จะเอามาให้นักศึกษาเร า, เาได้ศึกษาเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่สำคัญเราก็ ไม่นําเอามาเป็นบทเรียนเนื่องจากว่าอาดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและต่อไปในอนาคตก็ดีในเรื่องของคนดูว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนนั้น เ, เกิดอยู่ที่ไหนเวลานี้รับกรรมอะไรเอเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่าข อ, อแก้กรรมทีนี้ประเดี๋ยวก็บางทีก็เอไปเชื่อคนนู้นบ้างไปเชื่อคนนี้บ้าง อย่างเนี้ยเพื่อที่จะมาให้เกิดความงมงายหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงก็จะได้ทราบว่าการที่จะเป็นเช่นนั้นได้นั้นต้องอาศัยยานแต่ว่าตามความเป็นจริงและเป็นไปได้แต่ จ, จะเป็นไปได้แค่ไหนนั้นอยู่ที่เราจะต้องอทำความเข้าใจในข้อนี้ ให้แจ่มชัดขึ้นพอเวลายิ่งเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งจะรู้มากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นเต่คิดว่าอธิบายคุณสมบัติเมื่อคงจะจบได้เพราะว่าเมื่อวานซึนคิดว่าหวัดมันหายแล้ว่าวดีดีใจแล้วบอกว่าหายแล้วยาหยุดกินเพราะหยกินพัก อหตันตะโมออขึ้นอีกอก็เลยต้องฉันจนใหม่ <c oughs> อันนี้ก็มาถึงที่ว่าเมื่อเราจะได้พูดเรื่องหลวงปู่มั่นให้ยาวหน่อยวันนี้ในเมื่อท่านผ่านการทดสอบในตัวของท่านเพียบพร้อมแล้วสำหรับหลวงปู่มัน่น ท่านก็เริ่มเริ่มที่จะอไปสอนใครต่อใครนับตั้งแต่หลวงปู่สิงขันตยาคโมต่อมาก็สอนไปถึงหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ปั่นหลวงปู่ขาวโอหลวงปู่อะไรเท่ปรากฏ เราเคยได้ยินอยู่นั่นน่ะที่ท่านแนะนำท่านก็บอกว่าในระยะชีวิตของท่านเนี่ยต้องการอยากจะสอนให้พระให้ได้มากที่สุดใช้เวลาที่พบกับหลวงพ่อในปีนั้นท่านบอกว่าท่านใช้เวลาสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีนี้เป็นเวลาที่ท่านได้ แนะนำคณะปฏิบัติจนกระทั่งเป็นหมู่คณะขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะพระป่าคณะพวกป่าป่าไปอยู่ตามป่าตามดงแล้วก็เรียกกันว่าวัดป่าทีนี้เขาก็เลยหาว่า <c oughs> อั น, นี้นอกเรื่องไปนิดหนึ่งว่าทำไมอาจารย์วิทยยังเนี่ย ามาอยู่ในกรุงเทพได้ยังไงรัก่าแต่ทีนี้มีหลายคนและมีหลายองค์ที่เป็นบศิษย์หลวงปู่มั่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเจงได้มาอยู่ในกรุงเทพคือคำหนึ่งที่ท่านพูดสกิจใจของพ่อก็คือว่านี่วิริยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพ เพราะว่าคนกรุงเทพนี้มีบุญมีวาสนาอีกเยอะทันไรอย่างนั้นและท่านก็ทิ้งเป็นปริสนาไว้อย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ต่อมาท่านก็มอบกิจการงานต่างๆของการสอนสมาธิเนี่ให้แก่พระอาจารย์สิงห์เป็นผู้นําโดยที่ลูกศิษย์ทั้งหมดที่ท่านสอนนั้นมีจํานวน ในสมัยนั้นประมาณร้อยห้าสิบองค์จานวนร้อยห้าสิบองค์นี้ได้มา อ, อ, อยู่กับหลวงปู่สิงขันตยาครมแล้วหลวงปู่สิงขันตยาธรรมวก็นำรูปศิษย์หลวงปู่มั่นที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยประมาณร้อยห้าสิบองค์นั้น อ, อ, อยู่ที่จังหวัดอุบลเริ่มจังหวัดอุบลเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้น ท, ท่านก็บอกว่าท่านสิงห์ดำเนินการเผยแพร่สมาธินี้ให้กว้างขวางสำหรับตัวท่านเองนั้นจะไปที่เมืองเชียงใหม่ไปภาคเหนือเมื่อลองพู่สิงห์ได้รับคำบัญชาอย่างนั้นแล้วก็พาพระอาจารย์ทั้งร้อยห้าสิบองค์เนี่ยเดินทางจากจังหวัดอุบล ถึงจังหวัดนครราชสีมาหมายความว่าจังหวัดอุบลเมื่อท่านไปอยู่ตรงไหนก็กลายเป็นวัดป่าเมื่อท่านไปอยู่ตรงไหนก็กลายเป็นวัดป่าจากอุบลแล้วไปไหนต่อจากอุบลแล้วท่านก็ไปอุดรจากอุดรแล้วไปไหนต่อจากอุดรก็ไปสกลนคร อ, ออกจากสกลนครแล้ว ไปไหนต่อมาสารคามและกาฬสิน์ออกจากกาฬสินแล้วก็ไปจังหวัดขอนแก่นไปถึงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยในการที่ท่านไปนั่นน่ะไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยไปอยู่ร้อยร้อยยี่สิบแห่งกลายเป็นวัดป่าไปร้อยยี่สิบแห่งไปอยู่จังหวัดขุดร น, นั้น ไปอยู่สองร้อยห้าสิบแผน่นก็กลายเป็นวัดป่าสองร้อยห้าสิบแผน่นพอไปอยู่ที่จังหวัดสกลนคร น, นั้นไปอยู่แปดสิบแผน่นก็เป็นวัดป่าอยู่แปดสิบแผ่งพอมาอยู่ที่สารคามกระสินเนี่มีไปอยู่ยี่สิบแผน่นแต่ละจังหวัดยี่สิบแผน่น แล้วก็ข้ามจากสารคามเนี่ยมาขอนแก่นมาขอนแก่นก็อยู่นานหน่อยณนะละห้าองค์คณะละละแห่งแต่ละแห่งจนกระทั่งผ่านมาถึงจังหวัดนครราชสีมามาถึงจังหวัดนครราชสีมานั้นออท่านได้ถูกข้าม โดยที่สมเด็จทางกรุงเทพบอกว่าท่านสิงห์พอแล้วว่างแล้วลองคำนวณดูสิตั้งแต่อุบลมาจนกระทั่งถึงขอนแก่นนี่ได้เท่าไหร่กว่าห้าร้อยอย่างเนี้ยแล้วทำให้เกิดการแตกตื่นคือแตกตื่นอย่างนี้ว่าไปที่ไหนเนี่ยจะหัดให้โยนนั่งสมาธิกันหมดทุกแห่งไปเลย ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคนที่รู้จักภาษานะ่ยพอจะนั่งสมาธิได้ไปที่ไหนจะนั่งสมาธิกันหมดอย่างเนี้ยแล้วก็เลยเกิดความากว้างขวางขึ้นพอมาถึงโคราชก็ไปอยู่ที่วัดป่าสารวันเป็นวัดแลกวพอไปถึงวัดป่าสารวัตรแล้วเนี่ยก็ไปบ้านเพชรเมืองชวน บ้นเพชรเมืองชวนเนี่เมืองของอยู่เท่จังหวัดชัยภูมิติดต่อกันกับจังหวัดนคนรราชสีมาในคราวนั้นได้มีคนที่ต่อต้านพระอาจารย์สิงห์ว่าอาจารย์สิงห์เนี่ยทำอะไรไปทำให้ที่อื่นเขาไม่สามารถที่จะคือให้ที่อื่นเสรอมท่านทาความเจริญแต่ตัวเอง ทีนี้พอไปถึงนั่นแล้ววันนั้นท่านก็ประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายพากันมาพอมาถึงแล้วแทนที่ว่าจะมาฟังเทศคนหนึ่งมีจะถือปืนก็ไม่ดาลอ้อมในขณะนั้นพระอาจารย์กงมาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่ด้วย ในขณะนั่นหลวงปู่ฝันหลวงปู่อ่อนใครๆทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์เอกดของหลวงปู่มั่นก็พากันอยู่ในวงล้อมบอกว่าถ้าไม่เคลื่อนที่ในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าไม่รับประกันชีวิตแล้วก็ไม่มีความเคารพอย่างเนี้ย ทำท่ า, ทาคนหนึ่งก็นั่งยองๆคนหนึงก็ยืนถือปืนแต่มันจะเป็นเรื่องยังไงยังไม่รู้แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เห็นเองน ะ, อ, ะอาจารย์ของหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เล่าไปตามนั้นเสร็จแล้วพระ อ, อาจารย์สิงห์ท่านก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายพวกเธอมานี่ต้องการฆ่าพระใช่ไหม เงียบทุกคนไม่พูดหรือว่าต้องการทำอะไรมันก็ไม่พูดมันตะโกนลูกเดียวว่าต้องออกจากที่นี้ไปห้ามไม่ให้มาปรกรถที่นี้อีกต่อไปว่างนั้นอ <c oughs> าจารย์สิงห์ท่นานะหันไปดูพระอาจารย์ฟันหลวงปู่ฟันท่านคงจะมีจิตเข้มแข็งกว่าคนอื่นเก็บอกว่า หลวงปู่เสียท่านก็ขยิบตา <c oughs> หลวงปู่ฟันก็เข้าสมาธิทุกคนเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิไปสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะอไอ้ดาบมันหลุดมือไอ้ปืนก็หลุดมือไอ้พวกนั่นนั่งพระเพียบเกลี้ยงเลยนั่งพระเพียบเกลี้ยงเลยพอนั่งพระเพียบเกลี้ยง หลวงปู่ฟ้นท่านก็นยังนั่งสมาธิอยู่หลวงปู่สิงห์ก็เทศต่อเลยทีนี้ยพระเทศจบมันก็เลยเข้ามากราบต่างคนต่างพายกันร้องไห้แล้วก็บอกว่าพวกท่านก็ไม่ต้องรู้แล้วว่าใครสั่งให้พวกผมมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกผมเองจะสร้างวัดถวายท่านเดี๋ยวนี้ ว่าจะไปไหนแง่หลวงปู่ฟันจะลืมตามมาพวกนี้มันยังไงกันพอเสร็จแล้วนะเอมันก็เดินพากันเดินกลับพอเดินกลับไปแล้วมันบอกว่าเอ้นี่เราไปทําอะไรมันนึกไม่ออกเลยว่าเอาพวกเราเนี่ยไปทําอะไรแล้วมันก็เดินกลับแต่ตัวดาบทั้งปืนมันกองไว้ที่นั่น เดินกลับแต่ตัวไปอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วพระอา จ, จารย์กงมาท่านก็ไปสร้างวัดที่บ้านใหม่สำโรงคือวัดของหลวงพ่ออันนี้ก็คงจะคิดว่าทำแค่นี้พอแล้วพระอา จ, จารย์สิงห์ท่านก็เลยยุติอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา นิฉะนั้นท่านคงจะเข้ามาแสระบุรีแล้วก็เข้ามานี่ต่อแต่ท่านได้หยุดยั้งไว้เพียงแค่นั้นอและก็จําเพ อ, เอินหลวงพ่อก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กรงมาก็เลยได้มายืนอยู่ที่นี่เป็นอย่างนั้นแหละออแล้วอันนี้นั่งเล่าอยู่ที่ว่าเมื่ออทําศพหลวงปู่เสาเสร็จแล้ว เราก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดสกลนครหลวงพ่อก็ได้มาจําพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นเป็นพรรษาที่สองพรรษาที่สองก็คืออยู่ที่บ้านนามนบ้านนามนในตําบลตรองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อมาอยู่ที่บ้านนามนแล้วนั้นหลวงพ่อจึงได้ฟังธรรมเทศนา ของหลวงปู่มั่นเมื่อฟังธรรมเทศนาแล้วนี่มันจับใจสุดที่จะจับใจแล้วว่างั้นเถอะฟังเทไลน์นีเ่เหมือนกันกับว่ามันมันได้สําเร็จอะไรอย่างนั้นอะ่ะเหมือนกับตัวเราเบาเหมือนกับอะไรต่างๆจึงมาคิดว่าคําสอนที่หลวงปู่มั่นท่านแสดงเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆอย่า ก, กันนั้นเลยเรา เขียนเพราะว่าในสมัยนั้นถ้าใครไปเขียนหรือใครไปทำอะไรแล้วหลวงปู่มั่นท่านจะต้องดุเอามิจฉานั้นท่านก็ไล่ออกหลวงพ่อก็เลยคิดว่าไล่ก็ไล่ละเราไม่ว่าอะไรกันกลางคืนพอท่านเทศเทศจบหลวงพ่อก็ไปบีบบีบทวายท่านเสร็จกลับมาเขียน ในสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่สองอยังไม่สงบน้ำหมึกก็ไม่มีดินสอก็ไม่มีมีแต่ปากกาเบอร์ห้าหลวงพ่อมีอยู่สองสามอันไปใช้ปากกาเบอร์ห้าแล้วก็เอาน้ำหมึกทาเองน้ำหมึกทาเองก็คือเอาสมอกข้มาขามป้อมตาตำแล้วก็คั้นเอาน้ามันคั้นเอาน้ามันเสร็จแล้วก็ต้ม เขี่ยวจนมันข้นข้นเสร็จแล้ ว, วก็ขูดเอาไอ้คีมินมอเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนั่นอะ่ะแล้วก็กรองใช้ผ้ากรองกรองดีแล้วก็ามาทำน้ำหมึกเสร็จแล้วปากกาเบอร์ห้าเขียนเขียนแล้วมันไม่แห้งน่ะ เ, เขียนพับอย่างเงี้ยมันไม่แห้งต้องทิ้งไว้ เช่นอย่างเขียนคืนนี้รุ่งขึ้นเช้าจนกระทั่งอีกครึ่งวันมันถึงแห้งหมายความว่าต้องใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงเขียนเขียนหน้านี้ก็ตากไว้เขียนหน้านี้ก็ตากไว้จนกระทั่งจบภรษาได้เป็นหนังสือมุตโตไทยหนังสือมุตโตไทยก็เราก็คงจะได้อ่านอยู่นเนี่ยมุตโตไทยเนี่ยเขียนด้วยกระดาษ อันนี้แล้วก็อาทิตย์ทองคอําอ่ะแต่ก่อนมันเป็นพระอยู่ปฏิบัติหลวงปู่มั่นเดีย ก, กันแล้วมันก็สึกไปแล้วมันก็มาขอเอาต้นฉบับนี้ไปพอขอต้นฉบับนี้ไปแล้วเลยเอาไปจ่อยเวลานี้ <c oughs> ว่าจะไปตามหาต้นฉบับนี้ไม่รู้จะไปตามหาได้ยังไงก็เลย ไม่ได้ก็ได้นังสือเป็นนังสือมุตโตไทยมา <c oughs> ก็คงจะจบเพียงเท่านี้วันนี้ <c oughs> ขอเชิญคุณชัยยกชยรชัยยโรตรัสกล่าวนัสกานหลวงพ่อครับความว่างหรือสุญญาตาคือจิตนะฮะจิตคือความว่างความว่างคือพุทธะความว่างคือธรรมะ ก็ผมอยากจะทราบว่าการทํางานด้วยจิตว่างเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและประเทศชาติอย่างไรครับเอ่อความว่างคือพะความว่างคือธรรมะแล้วความอะไรความว่างคืออะไรอีกคือจิตครับคือจิตเมื่อทําให้จิตว่างจะมีประโยชน์แก่อะไร ผู้ปฏิบัติการองค์ผู้ปฏิบัติและประเทศชาติครับประเทศชาติอย่างไรอระพุทธหมายถึงอผู้ตัดสู้ธรรมะหมายถึงธรรมแห่งการตัดสู้จิตหมายถึงอผู้สั่งการความว่างนั่นหมายถึงว่าพุทธ ว่างหรือว่าธรรมะว่างแต่ว่าหมายถึงจิตนี้ได้ว่างต่ออารมณ์เมื่อจิตว่างต่ออารมณ์ก็คือความสามารถของสมาธิถ้าความสามารถของสมาธิไม่พอจิตจะว่างไม่ได้ความสามารถของจิตพอจิตก็ว่างได้ถ้าหากว่า มีผู้ที่ทาจิตนี้ให้ว่างหมายความว่าละอารมณ์การละอารมณ์นั้นอาจจะเป็นการละอารมณ์ชั่วขนาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้พลังจิตนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยการที่ทำให้จิตว่างคือจิตต้องเป็นสมาธิทใไมเป็นสมาธิจะว่างไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผุ้นั้นก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้เมื่อควบคุมจิตใจได้ก็ไม่ไปทาความชั่วแล้วก็ประพฤติตัวเป็นผู้รับผิดชอบก็จึงเป็นประโยชน์กับบุคคลผูนั้นด้วยนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพราะ เป็นบุคคลที่สามารถควบคุมจิตไม่ให้ไปโลภเอาของคนคนอื่นเขาหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอต่อไปคุณนัฐธพัฒน์พงเกียรติกาบทศกรณฐ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ครับลูกใครขอมีเรื่องการเรียนถามเป็นข้อสงสัยว่าการตั้งจิตอธิฐานขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับ พัะปะเจกับพุทธะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับการปราชนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยถือว่าอย่างตำ่ำอันนี้เรียกว่าปัญญาธิกะถ้าเป็นสัพทาธิกะนั้นก็จะแปดอสงไขยถ้าเป็นวิริยาธิกะก็ต้องสิบหกอสงไขย นละสามารถที่จะรล้ยสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นทุกได้จํานวนมากส่วนพระประเจกนั่นก็ใช้เพียงแอ่สีแสนปีแอ่สีแสนกับก็เป็นพระประเจกกระพูกได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะสอนใครได้ทั้งกระพุนทุกไปจะพระตนแตกต่างกันอย่างนี้กรับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ เรไปขอเชิญคนุณเถเกินกิตเทียนวัฒนธ า, าดากรรมนักสการพระอาจารย์ปัญหาที่ผมจะถามต่อไปนี้เป็นปัญหาของผู้ที่ทำบาปมนุษย์ยักษ์สัตว์ต่างก็หวงแหานรักชีวิตของตนไปอย่างยิ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วนี่ผมได้อ่านพบหนังสือพิมพ์พร้อมทั้งรูปถ่ายของหัวทวนหนึ่งซึ่งกาลังจะถูกนำไปฆ่า ว่างทางที่เดินไปนั้นป่ากดว้าน้ำตาลหาลตลอดทางอ น, นิจจาแม้จกจัดจังรู้ชตากรรมเหตุฉ น, นายคนฆ่าจึงไม่รู้จักป่าบ้างข้าผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคนฆ่าเจ้าของกิจการและผู้บริโภคนั้นตั้งได้รับผลป่ากี่ประเซ็นต์ละครับเรื่องอันนี้ก็คงจะมีมาหลาย ร้อยหลายพันปีมาแล้วแล้วคงจะเห็นน่ะว่าสัตว์ทั้งหลายตลอดจกนกระทั่งภูบาเรื่องต่างๆนี้มันก็ต้องถออูกฆ่ากันมาเป็นประจำก็ไม่รู้ว่าจะเอาบาปไปให้กับใครถ้าหากว่าจะเอาบาปมาให้กับคนกินก็ ไม่ค่อยยุติธรรมนักจะอาบาปมาให้ก็คนฆ่ามันก็น่าจะยุติธรรมอันนี้ในที่สุดนั่นในคันสารที่ท่านแสดงไว้บอกว่าการที่จะเป็นบาปหรือเป็นบุญนี้อยู่ที่เจตนา <c oughs> การเจตนานั่น ถือว่าเป็นหลักที่สําคัญเมื่อเราเจตนาฆ่าจะเป็นเออคนจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรถือว่าเจตนาเมื่อเจตนาแล้วเจตนานั้นจะทําให้เกิดเรียกว่าบาปอันนี้เมื่อไม่มีเจตนาที่จะฆ่าก็ถือว่าไม่บาปเพราะไม่ได้เจตนา ทั้งบุญและทั้งบาปนี้เกิดจากการเจตนาเพราะฉะนั้นจึงได้ความว่าเมื่อเรายังอยู่ในโลกวัตะสงสารนี้มันก็ต้องมีสุขมีทุกข์เป็นไปตามปกติมันก็จะต้องมีชีวิตเป็นไปตามปกติข้อสำคัญที่สุดนั่นอย่าไปเอาไปเจตนา ทำลายไคร่หรือเจตนาขโมยเจตนาโกงเจตนาทํำสิ่งที่ต่างๆนั้นเขาเรียกว่าเมื่อเจตนาแล้วนี่มันจะเข้ามาสู่จิตเพราะว่าเวลาตายเนี่ยจิตทุ้งคนเนี่ยมันจะเดินทางไปเมื่อเจตนาที่ทาบาปนั้นมันก็อยู่ที่จิตนั้นเป็นผู้รับเจตนาทีนี้บุคคลผู้ที่ท ไม่ได้เจตนาก็คงจะปรับโทษไม่ได้ต้องปรับโทษผู้ในการเจตนานั่นเป็นหลักหลวงพ่อครับถ้าคนที่ฆ่านี้เขาบอกว่าที่ฆ่านี้เพราะว่าเป็นอาชีตนะฮะถ้าเผื่อไม่ทำอันนี้แล้วไม่ฆ่าแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะหาเรื่ออาชีพอะไรอันนี้ก็แม้ว่าเขาฆ่าแต่ว่าในวันที่เขาไม่ฆ่าก็มี ในวันไหนที่เขาจะทําบุญทำอะไรบ้างก็ควรจะทําให้บุคคลคนนั้นมีเจตนาที่เป็นบุญอยู่เพราะการฆ่าสัตว์ก็ดีหรือทําอะไรก็ดีก็ไม่น่าจะได้ไปทําทุกวนันทุกวนันแม้แต่ว่าชาวประมงที่เขาฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเมื่อไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระ อริยะบุคคลก็เยอะแยะไปเมื่อเป็นริยะบุคคลแล้วก็เป็นอ่านว่าเลิกฆ่าอย่างเนี้คือคนเหล่านั้นจะบริสุทธิ์ไปตลอดไปก็คงยากอาจจะเมีเจตนาอะไรยังเราไม่ได้ฆ่าสัตว์คือมีเจตนาทําอะไรเข้าอย่างเนี้ยก็บุคคลคนนั้นก็จะต้องรับบาปอันนั้นไปอ่ะจะทิ้งไปไม่ได้ ในฆ่าสัตว์แต่ว่าไปเที่ยวปิดลูกเมียคนอื่นอะไรต่ออะไรเหล่านี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมันก็มีเจตนาก็เป็นบาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติอยู่ก็สร้างบุญกุศลกันไปตาบไปเท่า น, นี้และว <c oughs> <c oughs> ครับต่อไปขอเทิคุณจองทํารงอภิชาติคุณ กราม น, นมัสการพระอาจารย์สิทธิ์มีคําถามอยู่สองคำถามซึ่งต่อเ น, นื่องกันนะครับคําคถามที่หนึ่งคือผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเป็นเวลานานจิตมีความรู้สึกมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าไปในฌานจิตนะฮะไม่ได้ฌานอาไม่ทราบว่าสามารถที่จะเข้าถึงจุดพลังอํานาจแล้วก็ใช้พลังอํานาจนั้นในการรักษาโรคได้หรือไม่ครับ ได้คือว่าเรื่องของการที่เขาฝึกจุดพลังอานาจนั้นด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยฌานแต่ว่าพอถึงจุดพลังอานาจได้อยากจะเข้าฌานก็ไม่อยากแล้วครับแล้วข้อที่สองนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฌานาจิตหรือไม่ได้ฌานนะครับจะสามารถได้ญาณได้ไหมครับญาณ น, นั้นเกิดขึ้นจาก สมาธิแต่ยังไงก็ตามนะ่ะคิดว่าคนที่ไม่ได้ชานี่คงไม่มีนะ่ะคนนั่งสมาธินี่มันต้องได้ทุกคนนะ่ะเพราะว่าฌานกับสมาธินี่มันอยู่จิเฉียดกันอยู่พอสมาธิได้ที่แล้วนี่ฌานมันก็จะต้องเกิดขึ้นอแกบกล่าวมาสักการะขอเชิญคุณ ทัดสนีอุ่นสุดคลองนี่อันจะสุดคลองไหนคลองคลอพระขนงกลามนมัตสการพระอาจารย์ค่ะอูรุสิตก็วันนี้จะมีเรื่องถามเกี่ยวกับอยากให้พระอาจารย์สรุปการบริกรรมตั้งแต่แรกจนถึงการหยุดกำหนดจิตนะคะสรุปไว้เลยไม่ค่ะคือเป็นที่ปฏิบัตินะคะตรงปฏิบัติมันก็นิดเดียวใช่ไหมคะ าก็สรุปให้ว่าเมื่อใช้คำบริกรรมก็เอาจิตอยู่วางไว้ให้ต้องที่ใดที่หนึ่งเมื่อจิตตั้งแล้วสติมีพร้อมถ้าสติไม่มีคำบริกรรมก็เกิดไม่ได้ต้องเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่จิตนึกพุทโธนั่นอ่ะมันจะพร้อมทุกอย่างเวลานึกพุทโธนี่สติก็อยู่ที่นั่น จิตก็อยู่ที่นั่นสมาธิก็อยู่ที่นั่นอันนั้นก็เรียกว่าเริ่มพร้อมพพร้อมนะพร้อมแล้อย่างทีนี้ก็เดินทางต่อเดินทางต่อไปก็รู้ว่าความคิดต่างๆที่นึกร้อยแปดพันประการนั้นมันก็ค่อยๆลดระดับลงลดระดับลงตามลาดับเมื่อลดระดับลงแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่ง เพอเกิดความเป็นหนึ่งก็เกิดความสบายทีนี้ก็เกิดสมาธิเกิดฌานเกิดยานขึ้นพร้อมกันทําไมจึงเกิดยานก็เพราะรู้ว่าตัวของเหล่านี้ได้เดินทางถูกแล้วจากนั้นจากนั้นก็จากพุมิานเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตนี้ สงบนิ่งไม่คิดแล้วหมดความนึกคิดเวลาฟ้าผ่าเปียงพรางคนไอคนจามก็เป็นอันว่ากระทวนไม่ถึงใจนั้นเรียกว่าจิตได้เข้าสู่จะตุทะชานแล้วเอาตรงนี้หละคเขาถามอีกข้อหนึ่งเวลาเวลารลือลูกเสร็จนั่งสมาธินี่แล้วเกิดเกิดแบบมันอบอุ่นอยู่ในร่างกายอะค่ะไม่ทราบว่า พอไม่เกิดอบอุ่นในร่างกายก็คือพลังจิตได้เกิดแล้วลักษณะของพลังจิตปรกาศกาบรรลุกิจการต่อไปขอเชิญคุณธินภัทรอมรุณกราบในมััการพระอาจารย์ครับเ อ, อคํากล่าวที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นต ะ, ตะถาคตไม่ใช่ว่าเห็นธรรมเห็นยังไงครับแล้วก็เห็นตถาคตเห็นยังไงครับเออนนะ เ, นนเนี่ยครูเรียนนักธรรมมานะ่นเนี่ย <laughs> นทาทำตรีรลนทาทำโทคือว่าพระเจ้าได้เทศนาให้แก่พระอะไรนะที่เห็นพระพระเจ้าล้วชอบ อ, อ่ะพระวักกะลิพระวักกะลิอ่ ะ, ะกกไม่ได้มีอะไรหรอกเห็นพุทธเจ้าวสวยโอ้หล่อสวยมาก ก็ไปนั่งดูพระเจ้าครัมีความสุขทั้งวันทั้งคืนก็นั่งดูอยู่นั่นแหละอืจนกระทั่งหลายเดือนผ่ามาพระเจ้าก็เลยตรัว่ า, าเธอพระเจ้าดูเอาอ น, นี่เคยดูแลพระเจ้าก็ดูว่ากะริอย่ามันดูอะไรนี่ร่างกายมีอะไรมีแต่ขี้ทั้งนั้นตายเล ย, ยง น, นทีเดียวจากนั้นวัคกะลิก็เสียใจ แหมเราอุตส่าห์เลื่อสมสแหมทั้งสดสวยงดงามไม่น่าจะมาพูดอย่างนี้เลยเราไปฆ่าตัวตายดีกว่าเสร็จแล้วก็หนีจากพระเจ้าคอยก็ไปเขาคิดจะกูดไปที่ไหนเนี่ยไปอยู่ตรงเหีว้วอย่างไงเสื้อเราก็จะกระโดดให้มันตายไปซะหมดเรื่องหมดเราทันใดนั่นเองพระวิจเจ้ า, พพาก็จะไปลางกดตัวอยู่ข้างๆ ปกติโอ้เจ้ายังเป็นหว่วงเราอยู่ดีอกดีใจเสร็จแล้วเจ้าก็เลยจรัสว่าถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราถ้าหากว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมนั่งอยู่ใกล้ๆเรามันก็ไม่เห็นเรา